นี่คงมาตั้งคบถามทบทวนอีกครั้งนึงว่าทําไมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเลือกเสด็จมาปรินิพานที่เมืองกุสินาราซึ่งท่านพระนนทท่านบอกว่าเป็นกิ่งเล็กเมืองน้อยเป็นกิ่งเมืองอ่ะนะถ้าเป็นสมัยใหม่ก็แบบเป็นจังหวัดเล็กจังหวัดน้อยคําว่าเมืองโบราณนี่หมายถึงจังหวัดนั่น น, นะหรือรัฐเล็กรัฐน้อยหรือแคว น, นิดหน่อยนะแควนมาละนี่แควนเล็กนิดเดียว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 เพียบพร้อมด้วยรัตนเจ็ดประการเป็นพระราชาที่ร่ํารวยที่สุดนะเท่าที่ฟังฟังมาในพระไตรปิฎกนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะนี้นับว่าเป็นพระราชาที่ร่ํารวยที่สุดเพราะว่าสร้างปราสาทราชวังทั้งหมดด้วยทองคํำนะนะด้วยทองคําด้วยรัตนเจ็ดประการด้วยเงินด้วยทองแล้วก็บ้านเมืองนี่ถือว่าใหญ่โตมากเมืองนี่มีกําแพงเมืองนี่กว้างยาวเป็นร้อยกิโลเ น, ะนะี่ยนะถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่จริงๆ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 แต่ท่านจะสะสมบุญท่านจะสั่งสมบุญจะสร้างอุปนิสัยแห่งบุญเพราะบุญทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นที่พึ่งทั้งโลกนี้และโลกหน้าเป็นที่พึ่งในปัจจุบันและสำหรับอย่พบุญทั้งหลายเป็นที่พึ่งแก่ตัวเองใน เ, เป็นที่พึ่งแก่ตัวเองได้ด้วยเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้ด้วยเพรันผู้ที่มีบุญทั้งหลายเนี่ยนะเชื่อไหมคนปกติอาศัยคนผู้มีมีบุญเหมือนสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็อาศัยต้นไม้ใหญ่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 บุญนั้นจําเป็นที่จะต้องเจริญขึ้นให้มากเท่านั้น น, นะนั้นไม่ใช่คําว่าสังขารไม่เที่ยงแล้วเออก็เมื่อมันไม่เที่ยงไม่ต้องไปสนใจอะไรมันเพราะผลการรู้ว่าไม่เที่ยงเพื่อเร่งจะเจริญบุญเมื่อรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายตายเป็นจะได้เร่งเจริญบุญไม่ใช่เออตายแล้วเออผมก็ตายเอาก็ตายสิก็จะไปชุบไปฟื้นนะเอาก็ตายเอาก็ตายก็ทำไงทํางานศพมันไม่ใช่อย่างนั้นไมนได้หยุดอยู่เท่านั้นแต่หมายคำว่าเหตุการณ์เหลา่าใดที่เกิด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 ย้อนกลับมาว่าเหตุผลอันดับที่หนึ่งที่พระองค์ไปนิพพานที่เมืองกุสินาราพเพราะพระองค์จะได้มาแสดงมหาสุทัศนสูตรประกาศให้รู้กรรมรู้ผลของกรรมสัตว์ทั้งหลายได้ อ, อ, ดอาศัยเยี่ยงอย่างของพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วก็จะเจริญบุญหรือผู้มีบุญทั้งหลายอาศัยตัวอย่างของพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วก็จะไม่อาลัยในผลของบุญ ข้อะไรสำหรับผู้ที่ติดข้องในผลของบุญถ้าถามว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะเป็นมหากษัตริย์ผู้ร่ํารวยยิ่งใหญ่มากถ้าพระองค์มีใจเกาะเกี่ยวในปราสาทราชวังทรัพย์สินเป็นต้นทั้งหมดย่อว่าพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตไหมก็เป็นอะไรก็เป็นแบบญาติของพร ะ, พระเทเรร่รูปหนึ่งพระเทเระรูปหนึ่งในอดีตชาติเนี่ยท่านเป็นพระราชาที่ เ, เป็นคนที่ทําบุญอ น, นะนะในที่สุดท่านก็บุญอ น, นั้นก็ทําให้เกิดสร้างปราสาทขึ้นมา เป็นปราสาสที่ใหญ่โตมากเลยนะนีะ่ผู้ที่ได้เสวยปราสาสเป็นพระราชาตอนหลังก็เกิดแล้วก็ตายจากปล า, าสาสนั้นแล้วก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ไปแต่พวกญาติทั้งหลายที่พันพุ์อยู่ในปราสาสตายแล้วก็เกิดเป็นปลาเป็นเต่าเป็นอะไรเฝ้าปล า, าสาสเหล่านั้นทั้งหมดเลยนะเพราะอะไร พระก็เพรติดข้องในวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นแต่ตรงกันข้ามเจ้าของเนี่ยดับขันปฎินิพานบรรลุมรรคผลกันไปหมดแล้วแต่เครือญาติที่หลังที่เกิดมามีใจเกาะเกีเ่ยวก็เลยเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาเป็นเต่าอยู่ตอนนั้นซึ่งพผ้าหัน ร, รูปนั้นท่านก็ยกปราสาทขึ้นมาเนี่ยพวกปลาพวกเต่าตกลงมาพระองค์ก็บอกว่าอย่าทําให้ญาติเธอลําบากเลยเนี่ยนะังั้นพระองค์พระเจ้าสุทสัศนะก็บอกอยู่แล้วว่าผู้ที่มีใจติดข้องแล้วทํากาละลงไปการทํากาละของบุคคลนั้นอ่ะ